เจิสัชนาวาระว่าด้วยวาระแห่งการตอบอธิกรระงับส5มสมัยใดอธิกรระงับด้วยสั ม, มุขขาวินัยและสติวิไนสมัยนั้นสติวินัยมีในที่ใดสัมมุขขาวิันมีในที่นั้นสัมมุขขาวิันมีในที่ใดสติวินัยมีในที่นั้น แต่ในที่นั้นไม่มีอมูระหาวิไนปตินยาตการณะเยผุยสิกาตัดสปาปิยสิกาและตินนวัถารกะสมัยใดอธิกรระงับด้วยสัมมุขาวิไนและอมูระหาวิไนและสมัยใดอธิกรระงับด้วยสัมมุขาวินัยและปตินยาตการณะละ สมัยใดอธิกรระงับด้วยสั ม, มุขาวินัยและเยผ ย, ยศิกาละสมัยใดอธิกรระงับด้วยสั ม, มุขาวินัยและตัดสปาปิยศิกาละสมัยใดอธิกรระงับด้วยสั ม, มุขาวินัยและตินวัฏฐารกะสมัยนั้นตินวัฏฐารกะมีในที่ใด สัมมุขวิัยมีในที่นั้นสัมมุขวิัยมีในที่ใดตินวัารากะมีในที่นั้นแต่ไม่มีสติวิไนอโมระหาวิไนปติญญาตการณะเยปุ ย, ยสิกาและตัดสปาปิยสิกา